ขณะพวกภิกษุณีจำบรรสาแล้วจึงไม่ปรารณาต่อภิกษุสงเล่าภิกษุทั้ง and and หลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงทำหนีว่าภิกษุทั้งหลายขณะพวกภิกษุณีจำบรรสาแล้วจึงไม่ปรารณาต่อภิกษุสงเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว